คำว่าโลกวุ่นวายส่วนมากคิดไปสู่ภายนอกแล้วด้วความติดใจแน่ใจด้วยว่าโลกวุ่นวาย ความจริงแล้วโลกอยู่ที่หัวใจของสัตว์และบุคคลแต่ละรายละลายไม่เว้นอยู่กับจิตความวุ่นสร้างขึ้นที่จิตแสดงอยู่ที่จิตเหมือนโรงงานที่เปิดแล้วไม่มีวันปิดนั่นแหละ ผู้จะระงับดับความวุ่นวายของโลกได้ต้องเป็นผู้ปฏิบัติธรรมะการปฏิบัติธรรมะกับการปฏิบัติตัวเองการดูความวุ่นวายของโลก กับการดูความวุ่นวายของใจอันเป็นฐานที่ผลิดขึ้นแห่งเรื่องทั้งหลายจนกลายเป็นโรควุ่นวายก็ไม่พ้นจากปิดดวงนี้ไปได้ผู้ปฏิบัติจึงต้องมองดูที่นี่ จึงเรียกว่าปฏิบัติธรรมปฏิบัติตนเราดูภายนอกหาความสิ้นสุดยุติไม่ได้ดูตั้งแต่วันรู้จักเดียงสาภาวะมาจนกระทั่งวันตายหาความระงับดับความวุ่นวายของโลกซึ่งเกิดขึ้นที่ใจนี้ไม่ได้ ผู้ปฏิบัติธรรมตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าเท่านั้นจะเป็นผู้มีทางทราบได้และทราบได้โดยลำดับภายในหัวใจของตนอันเป็นสถานที่ผิดหรือที่เกิดขึ้นที่อยู่แห่งความมุ่งหายทั้งหลาย โลกย่าเป็นอยู่เช่นนั้นเพราะคำว่าโลกกับคำว่าอนิจจังทุกขังนาตาเป็นสิ่งที่เกี่ยวพันกันไปตลอดสายแยกไม่ออกถ้าจิตไม่ไปสร้างความวุ่นวายไปสำคัญมั่นหมายสิ่งต่างๆเหล่านั้นเข้ามาเป็นเรื่องราวกับตัวเองแล้วแม้สิ่งใดจะเป็นเช่นใดก็เป็นอยู่ตามความกิงของเขา ใจเราก็สะดวกสบายเพราะมีความเฉลียวฉลาด ร, ารอบตัวในการปฏิบัติต่อสิ่งที่มาเกี่ยวข้องสัมผัสสัมพันธ์ภายในในตัวของเราภายในใจของเราคำว่ามานก็ไม่อยู่ที่อื่นที่ไกลธนากิเลสสมาน กิเลสคุณมีที่ไหนเคยได้ยินไหมไม่เคยมีท่านกล่าวไว้ล้นแล้วแต่กิเลสสมานไม่ว่าประเภทใดคาว่ากิเลสแล้วย่อมอยู่ที่จิตและเกิดขึ้นที่จิตสร้างความวุ่นวายให้ที่จิต ด, ดังความที่จิตปีบบังคับอยู่ที่จิตเรียกเรียกว่ากิเลสสมาน สิ่งอื่นไม่ใช่มารตัวกิเลสนี่แหละเป็นตัวมารอันใหญ่หลวงภายในใจของเราของท่านทุกรูปทุกนามไม่มีไม่มีเว้นเว้นแต่พระหันท่านเท่านั้นที่จะไม่มีกิเลสมารเข้าไปเพือกแฝงหรือแอบแฝงได้ธรรมะเครื่องปราบมารพระพุทธเจา้าประทานไว้โดยสมบูรณ์แล้ว ไม่มีข้อหนึ่งข้อใดบกพร่องสมกับคำว่าสวาคาโตพระวตาธรรมโมพระธรรมอันพระผู้มีพระภาคตรดัดไว้ชอบแล้วนั่นเพราะรู้ชอบเห็นชอบการจัดออกมาด้วยความรู้ความเห็นอันชอบอันเป็นความจริงด้วนๆนั้นจึงไม่มีผิดพลาดค่าเคลื่อนไปไหน ตรงต่อความจริงทุกสิ่งทุกอยาก่างทั้งฝ่ายดีฝ่ายชั่วทั้งวิธีการละและวิธีการบำเพ็ญทรงสแสดงไว้โดยถูกต้องทุกแง่ทุกมุมเหมาะสมกับการแก้ไข ถ, ถอดถอนและเหมาะสมกับการบาเพ็ญทุกแง่ทุกมุมทุกขั้นทุกภูมิไปไม่มีข้อทีน่าสงสัย ในพระโอาวาทที่แสดงไว้แล้วนิยานิกธรรมเป็นนําเป็นธรรมเครื่องนําออกถ่ายเดียวนําสิ่งที่เป็นข้าศึกทั้งหลายนั่นแหละออกจากใจซึ่งเป็นครังแห่งพิษภัยและตัวถุกทั้งหลายนําออกจากที่นี่ด้วยพระโอาวาทของพระพุทธเจ้า เข้ามากำจัดปราบปรามให้สิ้นไปที่ใจนี้ความสุขความสบายเริ่มแต่ความสงบสุขเย็นใจขึ้นไปถึงขั้นสว่างกระจ่างแจ้งด้วยปัญญาเป็นขั้นขั้นขึ้ น, นไปถึงวิมุตติผล จะเพนทําที่พึงปรารถนาของเราทุกท่านด้วยการประพฤติปฏิบัติของตนการแสดงธรรมมีหลงเงื่อนบ้างเหมือนกันเพราะแสดงแล้วมันดับไป พ, พร้อม งานของพระที่เป็นงานประจำเหมาะสมกับเพศและหน้าที่ของเราโดยแท้จริงนั้นพระพุทธเจ้าประทานให้แล้วยกเจสาลรมาณขาทันตาตะโจขึ้นเป็นงานชิ้นสำคัญสำคัญเพราะสถานที่เหล่านี้ หรือวัตถุที่กล่าวเหล่านี้เป็นที่ซ่องสูงของกิเลสประเภทมาทุกประเภทรวมอยู่ในที่นี้การคลี่คลายขยายดูสิ่งเหล่านี้ด้วยสติปัญญาของตนจึงเป็นการทำลายลิบชักฟอกสิ่งซึมชาบคือกิเลสทั้งหลายออกได้โดยลำดับลำดับ ยิงไม่ใช่งานเล็กน้อยเป็นงานจำเป็นอย่างยิ่งเพราะกิเลสเข้าไปแทรกจุูหมดทุกแง่ทุกมุมในบรรดาอาการที่กล่าวมาเฉพาะอย่างยิ่งเพียงห้าอาการนี้เท่านั้นเพราะเป็นอาการอันใหญ่เฉพาะอย่างยิ่งตาโจเป็นสำคัญมากในร่างกายของเราทุกร่างนี้ ดูให้ทั่วถึงตามหลักความจริงมีหนังเท่านั้นเป็นเครื่องฉาบทาเอาไว้เป็นเครื่องหลอกตาลวงใจของสัตว์โลกฉะนั้นท่านจึงนำของจริงเข้ามาเพื่อกำจัดของปลอมที่เสกสรรปั้นยอไว้นั้นให้จางหายไปด้วยความจริง เร ว, ว่าอาสุภะอาสุผังตาโจแปลว่าหนังปริยันโตห้มห่ออยู่โดยรอบร่างกายของเรานี่เป็นเครื่องรางตาของสัตว์ไม่ให้มองเห็นเลยจึงต้องใช้ความพินิจพิจรารณาคลี่คลายเอาเพียงสิ่งบางๆเท่านี้แหละออก แล้วจะเยิ้มไปด้วยสิ่งสุขรูตทั้งหลายหมดทุกชิ้นทุกอันภายในร่างกายของเหล่านี้ไม่มีข้อยกเว้นเลยว่าจะไม่เป็นอสุภะอสุพังเป็นสิ่งปฏิกูลโสโครเต็มไปด้วยสิ่งเหล่านี้ทั้งนั้นมีหนังเท่านั้นเป็นเครื่องหุ้มห่ออยู่ภายในให้หลงภายในว่าเป็นเหมือนกับ ภายนอกนี้ความจริงไม่ได้เหมือนสิ่งภายนอกบางๆเท่านั้นที่ปกคลุมหุ่มห่อเอาไว้นอกนั้นเป็นก้อนปฏิกูลโสโครกทั้งหมดยิ่งลึกยิ่งในเข้าไปเท่าไหร่ก็ยิ่งหน้าขยะขแข็แงเต็มไปด้วยสิ่งไม่เป็นปรารถนาเหมือนกับเราแต่ละคนละคนนี้ก็คือคือกองอาุภอธุภรพ ปาชา้าผีดิบเราดีๆนี่แหละนี่คือความจริงไม่ใช่ความปลอมดั ง, จงเจลเยกเสกสรรพ่านเอาไว้ว่าสัตว่าบุคคลว่าเป็นของสวยของงามหาของสวยของงามตามสคำที่เสกสรรมาอย่างฝังใจนั้นไม่มีเลยมีแต่ของปฏิกูลทรรมตามหลักธรรม มีเพียงขั้นนี้ก็ทำให้สรุสังเวทแล้วภายในร่างกายของเรานี้ไม่มีอะไรอะไรที่เป็นสาระเป็นแก่นสารอันนี้จังก็ตีตราไว้เรียบร้อยแล้วอย่างแน่นหนามันน่นคงจะไม่มีชิ้นใดที่จะเป็นสิ่งกีรางถาวรพอจะยึดว่าเป็นเราเป็นของเราได้ตลอดไป นอกจากเพียงอาศัยมันอยู่เท่านั้นจะพูดถึงเรื่องความสุขเราเ็เห็นอวัยวะต่างๆนี้แสดงความสุขให้เราเห็นมีชิ้นในบ้างไม่ปรากฏเวลาถามเรื่องสุขเรื่องทุกข์กันก็ถามว่าเป็นไงสบายดีหรือเพียงโรคไม่แสดงตัวขึ้นมาในร่างกายเท่านั้น ก็ไปเหมาเอาแล้วว่าร่างกายนี้มีความสบายพอพูดกันไปแบบสุ่มๆเดาๆว่าสบายดนะีคำว่าสบายดีก็หมายถึงตอนนั้นโรคไม่กำเริบหรือว่าโรคภัยรต่างๆนอนหลับยังไม่ตื่นเท่านั้นเองหาความสุขจริงๆภายในร่างกายมัน ม, มั่นมั่นีย จะมีก็เพราะการรับทานอาหารสัมผัสสัมพันธ์สิ่งที่ตนต้องการบ้างเล็กๆน้อยๆแต่ก็ไม่พ้นที่จะเข้าไปตูนเจอสิ่งที่บกพร่องเช่นความหิวความกระหายไปจนได้แหละเนี่ยเพียงเข้าไปเยียวยากันเท่านั้นเราเอาความสุขความสบายจากร่างกายนี้ที่ไหนกันมองดูแล้วมันไม่มี รับทานอาหารว่าอาด็ษอร่อยก็เพียงไปเยียวยาวความหิวความกะหายสัมผัสสัมพันธ์ลิ้นนิดหน่อยผ่านเข้าไปพอ ร, รู้ว่ามีรสอย่างนั้นมีรสอย่างนี้นิดนิดนิดนิดนรรมหายไปแล้วไม่มีเหลือแล้ ว, ลวจะว่าซุก ข, ข, ขังที่ไหนทีนี้คําว่าทุกขังนั้น่ะเป็นสิ่งที่เด่นชัดอยู่แล้วว่าร่างกายส่วนต่างๆนี้ มีการบีบบังคับกันไปในตัวส่วนจิตใจก็ถูกบีบบังคับด้วยกิเลสตัณหาประเภทต่างๆไม่มีเวลายับย่างตั้งตัวได้เลยถ้าผู้ใช้สติปัญญาพิจารณาแล้วจะเห็นกองภัยกองพิษที่เต็มอยู่ทั้งร่างกายและจิตใจของตนอยู่โดย ส, สม่ำเสมอแล้วจะคว้ามายึดมาถือว่าเป็นเราเป็นของเราเป็นสิ่งที่หน้า ลักให้กุนใจได้อย่างไรยึดไม่ลงแล้วเมื่อทั้งสองนี้กลมกลืนกันเป็นเรื่องอนิจังทุกขังไปด้วยแล้วคำว่าหนาตาเราจะถือว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นสั์เป็นบุคคลเป็นเราเป็นเขาที่ไหนมีไม่มีนี่ทำอันแท้จริงเป็นอย่างนี้สิ่งที่จอมปลอมก็คือสุขขัง นิจจังอัตตาแฝงกันขึ้นมานียสวมรอยธรรมและมีอำนาจแผ่กระจายครอบหมดทั้งร่างกายและจิตใจกายเป็นของปลอมนั้นจับเป็นของจริงไปเสียสิ้นนี่เพราะความเลิดสันปัญญของกิเลสประเภทต่างๆ ซึ่งมีอยู่ภายในจิตใจนี้ด้วยเหตุนี้ผู้ปฏิบัติจึงต้องใช้พินิจพิจารณาตามหลักธรรมอันเป็นของจริงนี้เข้าไปปราบปรามแก้ไขหรือซักฟอสิ่งจองปลอมทั้งหลายที่ปักเสียบไว้ตัวสำรัพังร่างกายเหมือนกับเสี่งกำหนามนี้ให้ออกจากร่างกายใ้จิตใจของตนโดยลำดับจนกระทั่ง หมดโดยสิ่นเชิงเราจะเห็นได้ชัดเจนที่นี่ไม่มีใครมาบอกก็ตามความจริงบอกอยู่แล้วภายในร่างกายและจิตใจเพราะธรรมมีอยู่ที่นี่ความจริงมีอยู่ที่นี่เมื่อพิจารณาตามหลักความจริงแล้วย่อมเห็นความจริงเมื่อเห็นความจริงแล้วย่อมปล่อยวางสิ่งจองปลอมทั้งหลายออกได้โดยลำดับแห่งความจริงเข้าถึง และปล่อยวางได้โดยชิ่งเฉยจากนั้นก็เป็นอิสระเสรีไม่มีคำว่าเราว่าเขาสัก์แต่าอาศัยกันแต่ว่าอาศัยกันไปช่วรยระยะการของสิ่งสมมุติที่ได้เกี่ยวข้องกันมาแล้วเท่านั้นส่วนจิตก็ไม่ติดไม่พันไม่แหวกไม่หามด้วย อ, อุ ป, ปาทาน เพราะความรุ่มหลงเป็นสาเหตุจิตก็เป็นจิตที่บริสุทธิ์และร่างกายทุกส่วนก็เป็นของจริงตามหลักธรรมชาติของเขาไม่ไปพลิกแปลมเปลี่ยนแปลงปั้นยอเขาว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อีกต่อไปต่างอันก็ต่างจริงเมื่อต่างอันต่างจริงแล้วย่อมไม่เกระทบกระเทือนกันจึงอยู่เป็นผาสุขหากร่างกายจะมีความเจ็บไข้ได้ป่วยมากน้อยก็ทราบชัดว่า ร่างกาย ม, ม, ม, ม, มีความมีความมีกฤติการผิดปกติไปตามสภาพของมันทุกขเวทนาก็สแสดงขึ้นไปตามความวิการของร่างกายต่างๆนันเรื่องก็มีเท่านั้นเมื่อสิ่งเหล่านี้เมื่อความวิการของร่างกายสงบตัวลงทุกขเวทนาก็สงบตัวหรือเมื่อมันถึงจีดถึงแดนของมันเยียวยารักษาไม่ได้แล้ว ร่างกายก็แสดงความนิการของตนเต็มที่ทุกเวทนาก็แสดงเป็นเงาตามตัวไปในนั้นอย่างเต็มที่แล้วกระจายออกจากกันไปตามความจริงของไขของเราคิตผู้ที่รู้เท่าทันกับสิ่งเหล่านี้อยู่แล้วก็อยู่ตามความจริงของตนไม่มีความวาดวันไหว รือกระทบประเทอนตัวเองนี่คือผลแห่งการพิจารณารู้ลอกหรือทำงานเสร็จสิ้นโดยสมบูรณ์แล้วนับตั้งแต่กรรมาฐาน5ไปถึงอาการ 3.2 สสองซึ่งเป็นส่วนรูปคือรูปกายนี้เข้าถึงเวทนาทั้งเวทนา ข, ขันทั้ง ทั้งเวทนาเวทนาจิตตเวทนาทั้งกายเวทนารอบไปโดยลำดับสัญญาความจดจําได้หมายรู้ซึ่งเป็นอาการอันหนึ่งเป็นเงาของติดเพียงเท่านั้นไม่ใช่ตัวจริงของจิตการรับทราบจากกินมาสัมผัสที่เรียกว่าวิญญาณก็เป็นทํานองเดียวกันมีแต่อาการมีแต่เงาความจําความจําที่เรียกว่าสัญญา ก็เป็นอาการอันหนึ่งเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้จึงมีการเปลี่ยนแปลยงยักย้ายไปต่างๆหาความแน่นอนไม่ได้ท่านจึงเรียกว่ารูปังอนิจนนจังเวทนาอนิจจาสัญญาอนิจจาสร้างข้าราอนิจจาวิญญาณังอนิจจ่าเป็นสิ่งที่แปลสภาพยอยู่ตามหลักธรรมาชาติของเขาจึงไม่ใช่เป็นสิ่งที่จะควรถือเอาแม้แต่ชิ้นเดียวหรืออาการเดียวอิจรณาให้รู้เท่าทัน และปล่อยวางสิ่งเหล่านี้หมดจนกระทั่งเชื้อของมันที่จะให้เกิดขึ้นมาเป็นรูปเป็นกายเป็นพบเป็นชาติอีกซึ่งฝังจมอยู่ภายในจิตใจนั้นก็ไม่ทนสติปัญญาที่มีความฉลาดแด้มพมทันกันไปได้และกระจายออกหมดโดยสิ้นเชิงภายในจิต เือแห่งภพแห่งชาท่านกล่าวไว้ว่าอวิชชาปัจจยาสัางฆ่าลก็ตัวอวิชชาซึ่งเป็นตัวสําคัญจอมกษัตริย์วัตจักรซึ่งมีอยู่ภายในจิตนั่นแหละมันผลักดันออกมาให้คิดให้ปรุงให้สําคัญมั่นหมายนั่นว่าอวิชชาปัจจยาสั้งฆ่าลอวิชชาเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารสังขารเป็นปัจจัยให้เกิดปัญญามีความต่อเนื่องกันไป อันนี้ท่านพูดเป็นอาการอาการออกไปจึงเป็นเหมือนก็นเป็นสายยาวหยียดัดไปจนกทั่งหาที่สิ้นสุดยุติไม่ได้ความจริงแท้ๆที่มันเป็นอยู่กับจิตรู้อยู่กับความจริงของมันที่เป็นขึ้นมาแล้วมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นคืออวิชชาเป็นปเป็นมันหนุนให้เกิดสังขารคือสังขารที่ปรากฏชิดปรุงขึ้นมาด้วยอํานาจของอิชา นั้นเป็นอย่างหนึ่งสังขารที่คิดปรุงขึ้นมาด้วยอํานาจของธรรมพาให้คิดให้ปรุงเช่นการแต่ใจจรองพินิพิจนาอัตธรรมเนี่ยต่างๆน่นเป็นอีกอย่างหนึ่งคือความคิดปรุงขึ้นมาตามธรรมชาติของตนซึ่งเป็นขันร่วนร่วนแล้ว ไม่มีอะไรเข้ามาเครือแฝงไม่มีอะไรมาบังคับนั่นเป็นสังขารประเภทหนึ่งสังขารประเภทนี้ไม่มีพิษมีภัยไม่เหมือนสังขารที่เกิดขึ้นมาจากความกดดันหรื อ, อวิชาบังคับให้คิดให้ปรุมขึ้นมาอันนี้คิดมากคิดน้อยเพียงไรเป็นพิษเป็นภัยทั้งนั้นเพราะตัวพิษภัยคืออวิชาบังคับออกมา วิญญาณความรับทราบให้เกิดวิญญาณให้เกิดรูปให้เกิดสังขารให้เกิดวิญญาณให้เกิดอัตนะความสัพผั ส, สัมพันอย่างนี้มันอยู่ในจิตดวงเดียวนี้ทั้งนั้นแต่ท่านแยกไปเพราะความละเอียดของพระพุทธเจ้าภูมิของศาสน า, า, าแต่ไม่ต้องการให้ผู้ใดก็ตามไปไล่ไปเรียงไปให้เป็นแบบเป็นฉบับยืดยาว ไปโดยไม่เกิดประโยชน์อะไรย้อนเข้ามาพิจารณาตรงนี้จะรู้หมดนับตั้งแต่อวิชาปัญญาสั้างขาราถึงสมุทรโยโฮติและรอบหมดตั้งแต่อวิชาจตเวบอเซสมาฬยาการนิโรทาสร้างขาา้ารายูจกจนกระทั่งเอวเมตตาจักเกวันละศาักขขันพระจะนิโรโทโฮติรวมอยู่ที่ใจนั้นทั้งสิ้น ไม่มีอะไรนอกเหนือไปจากนี่เลยนี่แหละเรื่องของอวิชชาปรุงพาปรุงให้เป็นขันนั่นเป็นขันของสมุทยัยไม่ได้เป็นขันอยู่ธรรมดาของปดการเมื่อพิจารณาร่างของภพของชาติแตกกระจายไปจา ก, กจิตใจแล้วยังไม่มีอะไรที่จะไปตั้งภพตั้งชาติอีก แม้เจ้าตัวก็ทราบจะไม่เคยทราบมาก่อนเพียงไรก็ตามดังพระพุทธเจ้าทรงทราบเป็นพระองค์แรกแล้วสาวพระสา ว, สาวกทั้งหลายทราบตามลาดับบรรดากันมาอย่างเต็มหัวใจแล้วท่านไม่ไปทูลถามพระพุทธเจ้าในเรื่องเหล่านี้อีกเลยตามเป็นไปตามสันติโกของผู้ปฏิบัติจะพึงรู้เองเห็นเอง เพราะพระพุทธเจ้าไม่ได้ทรงผูกขาดในความรู้ความเห็นอันจะเกิดขึ้นจากการปฏิบัติของตนมั้นเลยนี่เนี่ยคำว่ารู้รู้อย่างนี้คำว่าพบชาติหมดหมดที่จิตไม่ได้หมดที่ไหนพบชาติมีมากน้อยที่เคยเกิดแก่เก็บตายมาเท่าเท่าไรแม้เราจะ ตามนับพบนับชาติมาได้ควาตามแต่กมรพ้นกับหลักปัจจุบันที่แสดงให้เห็นอยู่ภายใ น, ในใจิตใจว่าเป็นไปเกี่ยวข้องหรือผูกพันกับสิ่งใดอันจะพาให้เกิดให้ตายมาโดยลําดับลําดาหมายถึงชื่อคืออริชาตัวนี้พาให้เกิดเมื่อได้ทราบเข้าไปโดยลําดับแล้วย่อมทราบความเปิดของตนไปโดยลำดับ จนกระทั่งทราบความเคยเกิดเคยตายของคุณองตนได้อย่างชัดเจนเมื่อถึงขั้นตัดขาดจากภบจากชาติภายในจิตใจแล้วนี่แหละธรมรมุนจ้าตพิสูจน์กันที่จิตพิสูจน์กันด้วยการปฏิบัติไม่ใช่พิสูจน์กันด้วยการท่องการจดจำการเน่าเรียนมา เฉยๆงได้แต่ชื่อแต่นามของกิเลสตัณหาอาสวะได้แต่ชื่อแต่นามของอัดของทำของมรรคผลนิพพานองค์ตัวของกิเลสตัณหาอาสวะแท้ฝังอยู่ภายในยใ จ, จิตใจไม่มองดูเลยมรรคผลนิพพานซึ่งอยู่ถูกกิเลสตัณหาอาสวะประเภทต่างๆครอบเอาไว้ก็มองไม่เห็นเพราะไม่สนใจมองเพราะฉะนั้นการเรียนเฉย ๆ, ๆ, ๆ, ๆ, ๆ, ๆ, ๆ ไม่ได้สนใจในภาคปฏิบัติจึงไม่เกิดประโยชน์อะไรท่านสิ่งสอนเป็นความจำเป็นเกี่ยวเนื่องถึงกันว่าปริยาตได้แก่การศึกษาโรงเรียนนับตั้งแต่ศึกษาจากอุปชานะที่มอบให้ในกรรมฐานห้านั้นเป็นนำ้ำหนักไปปฏิบัติคือ น, นำเอาสิ่งที่ตนเข้าใจที่ตนรู้แล้วศึกษามาแล้วนั้น ไปปฏิบัติขี่คลายขายายดูให้เห็นตามหลักความจริงดังที่เราพิจารณากรรมฐานหรือปฏิบัติกรรมฐานนี่แหละเรียกว่าภาคปฏิบัติเมื่อมีภาคปฏิบัติแล้วผลจะพ้นจากงานนี้ไปไม่ได้เพราะงานเป็นต้นเหตุงานเป็นแม่บทที่จะทําให้ผลเกิดขึ้นก็ต้องรู้กันที่นี่ จิตจริงเป็นของลึกลับมากเมื่อกิเลสยังครอบอยู่แล้วจะพิสูจน์ท่าใดไม่มีทางนอกจากภาคปฏิบัติเท่านั้นไม่มีใครสามารถที่จะพิสูจน์ใหเห็นความจริงของจิตนี้ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยเช่นผู้ปฏิบัติจิตตภาวนานี้เลยพระพุทธเจ้าเองก็ทรงปฏิบัติมาแล้ว อย่างโชคโชนถึงขั้นฉลบฉไลพระสาวกก็ปฏิบัติมาแล้วด้วยกันน่จึงเรียกว่าท่านทำงานมาแล้วทางนั้นจึงได้ผลเป็นที่พอพระไทยและพอใจไม่ใช่เพียงเรียนมาแล้วก็มาพูดกันเฉยเฉยไม่เกิดประโยชน์อะไรเนี่ยการพิสูจน์จิตซึ่งเป็นของลึกลับในขณะที่กิเลสครอบอยู่นั้นจึงต้องพิเศษพิสูจน์กันด้วยภาคปฏิบัติ คือเป็นการเพิกถอนยิเลียดออกมาโดยลำดับลาดับจนกระทั่งเข้าถึงกระแสะของจิตถึงตัวจิตและถึงตัวจิตโดยสมบูรณ์อาฐานท้าถ่ายไม่สะทกสะานเพราะตนเองเป็นผู้รู้เนื่องจากตนเองเป็นผู้ปฏิบัติมาและรู้มาโดยลำดับลำดับ จนกระทั่งถึงขั้นปฏิบัติโดยสมบูรณ์และรู้ขึ้นมาโดยสมบูรณ์แล้วภายในใจหาความโสโครสฐานไม่ได้สามารถพูดได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มอัดเต็มทำเต็มตามความจริงดังพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นศาสต า, า, าเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นสามารถประกาศทำสอนโลกได้ตลอดตั้งถึงมาจนกระทั่งถึงทุกวันนี้นะขอให้รู้ความจริงเถอะพูดได้ ถ้าไม่รู้พูดไม่ถูกเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของปิดเป็นเรื่องสลับซับซ้อนมากเพราะกิเลสพาให้สลับซับซ้อนไม่ใช่อันเรื่องอื่นใดพาให้เป็นนี่แหละโลกเราที่ได้หลงเราเองได้หลงโลกหลงของศาลหลงความกิดแก จ, จกจิดตาของตนซึ่งเป็นมาไม่รู้กี่กับกี่กันปิ้งไปปิ้งมาอยู่นั้นยิ่งกว่าฟุตบอดก็ยังลบล้างความเป็นมาของตนได้ โดยเห็นว่าควา ม, มเกิดตนไม่เคยเกิดตนไม่เคยตายตนไม่เคยทุกข์เคยยากลำบากตนไม่เคยตกนรกเอเวกีตนไม่เคยไปสวรรค์ท่านใดๆความจริงสถานที่เหล่านี้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวของจิต ด, ดีชั่วทั้งนั้นจิต ด, ดีก็ไปสูงจิตไม่ดีก็ไปต่าจิต ด, ดีก็เป็นสุข จิตชั่วก็เป็นทุกข์สถานที่อยู่ของผู้มีสุขมีทุกข์ก็คือนรกสวรรค์เหมือนกับสถานที่อยู่ของนักโทษนี่พูดง่ายง่ามันมีอย่างนั้นเราจะไปลบล้างได้อย่างไรแต่กิเลสมันพาลบล้างมันปิดมันกำบงังสิ่งที่เคยเป็นมาของตนเสียอย่างมิดชิดปิดตามองไม่เห็นแล้วยังเอา ความมองไม่เห็นว่าไม่มีเข้าไปทับอีกจนแน่นหาที่เปิดไม่ได้นี่แหละคนได้ทำชั่วจนจมมิตรหมดหวังทั้งที่ร่างกายและชีวิตยังมีลมหายใจพ อ, อดๆอยู่นั่นแหละมันก็เป็นคนหมดความหมายได้เพราะอำนาจของกิเลสทำให้หมดความหมายพาให้หมดความหมายธรรมเป็นผู้สร้างความเป็นธรรมชาติที่สร้างความหมายให้มนุษย์แ ต, ต์ทั่วไปได้ โดยลำดับจนกระทั่งถึงสร้างความหมายความมีคุณค่าให้ได้โดยช่างบุเพราะทำด้วยเหตุนี้การปฏิบัติจึงเป็นการพิสูจน์ที่แน่นอนที่จะต้องเห็นผลตามหลักธรรมที่ท่านจัดไว้เพราะจัดไว้ด้วยความเป็นด้วยของ มีอยู่จริงทุกสิ่งทุกอย่างทำไมจิตเป็นวิสัยที่จะรู้จะเห็นสิ่งเหล่านี้ได้เต็มกำลังของตัวเองอยู่แล้วจะไม่รู้ได้อย่างไรเมื่อมีเครื่องมือช่วยสนับสนุนพอที่จะให้รู้ตามฐานะหรือกำลังของตนต้องรู้ได้เฉพาะอย่างยิ่งกิเลสประเภทต่างๆมีมากน้อยต้องรู้ได้ ละได้โดยลำดับด้วยอำนาจแห่งการปฏิบัติขออย่าให้กิเลสเข้ามาทำงานแทนที่โดยไม่รู้สึกตัวเถอะนี่สำคัญมากกิเลสนี้สอบแทรกรวดเร็วยิ่งกว่าสิ่งใดในโลกแหลมคมมากไม่ทันมันง่ายๆจึงต้องพูดเสมอถึงเรื่องสติสติเนี่ยเป็นสิ่งที่จะทันต่อกับกิเลส เมื่อสตินี้แล้วจิตก็ย่อมจะปลอดภัยตามฐานะของตนไปโดยลำดับจากนั้นก็ปัญญาเป็นเครื่องมือสำคัญเป็นขั้นขั้นของปัญญาสามารถที่จะฟาดความกิเลสประเภทต่างๆได้ตามกำลังของปัญญาของตนและขาดจะบ้านไปด้วยปัญญาจนไม่มีสิ่งใดเหลือกิเลสตัวใดเหลือภายในจิตใจเลย แล้วอยู่ที่ไหนก็อยู่เถอะทีนี่พระพุทธเจ้าจะปรินิพพานนานประจักษกี่ปีกี่เดือนกี่พระองค์ไม่คิดไม่สงสัยให้เสียเวล า, เ, วลาเพราะความจริงที่เป็นอยู่เต็มหัวใจนี้มีอยู่กับตนแล้วมีอรูปลักษณะอย่างไรที่จะต้องที่จะแตกต่างกันกับพระพุทธเจ้าทั้งหลายและสาวกของสาวกท่นทั้งหลายไม่มี เป็นธรรมชาติอันเดียวตายตัวเหมือนกันนีทั้งสินั่นแหละความจริงขั้นเอกขั้นเต็มภูมิแล้เหมือนกันอยู่ที่ไหนก็เป็นพุท ธ, ธเป็นธรรมเป็นสังฆาถ้าจะแยกเป็นอาการอพูดตามหลักธรรมชาติอันแท้จริงแล้วธรรมะอันเดียวเท่านั้นพอจิตได้กลายเป็นธรรมไปทั้งดวงแล้ว ทำรรกับกจิตเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแล้วเพราะฉะนั้นคําว่าพุท ธ, ธทั้งหลายนั้นยึงไม่เป็นที่สงสัยหายสงสัยทั้งหมดแล้วก็เข้ากับหลักธรรมที่ปปุตติกาตัดไว้ว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตนะนี่แหละทำแท้นี่แหละคืตถาคตแท้เป็นอย่างนี้พระไรลักนั้นเป็นเรือนร่างของพุท ธ, ธะ ไม่ใช่องค์ของพุทธะธรรมะแท้เป็นเพียงเรือนร่างเท่านั้นยึ่งมีการเสื่อมสลายแ ป, ปรปรวนไปได้ตามการของมันขอสำคัญขอให้ใจได้ดื่มทำขอเท่ากับได้เฝ้าพระพุทธเจ้าตามฐานะของตนกำลังของตนที่มีธรรมในใจได้ ถึงทมเต็มภูมิก็ด้เข้าศาสดาเต็มองไม่สงสัยการปฏิบัติเป็นสำคัญมากขอให้ทุกท่านพยายามเต็มสติกำลังความสามารถทุกชนิดใดเราเคยผ่านมาแล้วด้วยกันไม่เป็นที่สงสัยทุกใดก็ตาม ที่มีในโลกนี้พ้นจากความสัมผัสสัมพันธ์ทางกายทางใจของเหล่านี้ตามหูจมูกเลี้ยกายใจของเหล่านี้ไปไม่ได้เลยเราจะต้องเป็นผู้รับทราบทั้งนั้นในสิ่งเหล่านี้จึงไม่น่าจะสงสัยกับอะไรอีกแล้วในโลกนี้สิ่งที่เรายังไม่ดื่มดังจอมปราดทั้งหลายท่านแสดงและท่านจากออกมาจากความรู้ความเห็น ความเป็นจริงของท่านความสวยของท่านจริงๆรนั้นเรายังไม่พบยังไม่เห็นเริ่มตั้งแต่สมาธิน่ะคือความสงบใจก็เป็นความสุขประเภทหนึ่งที่แตกจากโลกอยู่แล้วความสุขของสมาธิเป็นขั้นขั้นก็เป็นความสุขที่แตกจากโลกเป็นขั้นขั้นไปเช่นเดียวกันปัญญาเป็นขั้นขั้นที่จะ ต, ตัดยิเ้งตัวเสียดจันไรออกไปโดยลําดับ ก็เป็นความสุขประเภทหนึ่งประเภทหนึ่งเจนิกระทั่งปัญญาตัดขาดจากกิเลสทั้งหลายขาดจากใจโดยสิ่นเชิงแล้วนั่นเป็นปรมันสุขขันเรียกว่าสุนในมุตติรรมล้วนรูาไม่มีสิ่งใดเข้าไปเจือปนเลยนี่เรายังไม่เคยเห็นยังไม่เคยพบได้ยินแต่ชื่อของสมาธิ ได้ยินแต่ชื่อของปัญญาขั้นนั้นๆได้ยินแต่ชื่อของมรรคผลวิปปานได้ยินแต่ชื่อท่านบรรดุแต่ชื่อแต่เสียงท่านบรรดุยังไม่เห็นตัวจริงของความบรรดุยังไม่เห็นตัวจริงของความบริสุรทธิ์ยังไม่เห็นตัวจริงของความสิ้นจากที่เดชทั้งหลายว่ามีความเลิ่อนระเสือกประการใดบ้างทำไมพระพุทธเจ้าก็เป็นคนธรรมดาชาวโลกทั้งหลายเป็นคนธรรมดา พอตรัสรู้ทำบรรลุธรรมแล้วกลายเป็นผู้วิเศษไปได้หมดเป็นเพราะเหตุใด น, นี่ละ่ะการรู้ของจริงมีความแตกต่างกันไปโดยลําดับอย่างนี้เราเองก็เถอะขอให้รู้ทมเหล่านี้เป็นลําดับําราขึ้นไปจนกระทั่งสมมติ ด, ดูดพ้นความวิเศษโดยหลักธรรมชาตินั้นจะไม่มีใครมาเจกสัรตั้นยอก็ตามเราไม่เสียดายไม่เกี่ยวข้องไม่กังวล พอให้ถึงตัวจริงแล้วเป็นที่พอใจพอใจไม่ได้พอด้วยความเพลิดเพลินแบบโลดลวกผลผลพอใจด้วยความเหมาะสมพอใจด้วยความพอดิบพอดีทันว่านิพพานคือเมืองเมืองพอฉันใดความพอใจอันนี้ก็มีความเสมอตัวคงเช่นคงวาฉั้นนั่นเหมือนกันเพราะเป็นอันเดียวกันนี่ธรรมที่กล่าวมาเหล่านี้เราจะไม่เคยพวกเคยเห็นใครพูดทางไหนเราก็ตื่น ตาก็ตื่นหูก็ตื่นใจก็ตื่นล้วนแล้วตั้งแต่เป็นพูดมาเพราะอํานาจของกิเลสตัรหาเพราะความมืดดํากําตาทั้งนั้นไม่ได้พูดพูดด้วยความรู้แจ้งจริงๆพูดอยู่ในวงของสมมติเห็นได้ยินสัมผัสสัมพันธ์จากวงสมมติมาพูดสู่กันทางเรื่องนั้นเรื่องนี้โลกนั้นโลกนี้บ้านนั้นเมืองนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้อพากานตื่นเพราะกิเลสพาให้ตื่นอ ตื่นอยู่ตลอดเวลาไม่เคยเห็นโทษของมันเลยนี่ ท, ท, ทั้งๆที่เคยเป็นมาอย่างนั้ น, นแล้วที่กล่าวมาเหล่านี้มีอันใดวิเศษทําคนให้วิเศษได้ทําคนให้เป็นที่พึงใ จ, จากตัวเองได้ให้เป็นที่แน่ใจของตนเองได้ ไม่ปรากฏควรออามาทดสอบกันกับธรรมกับผู้รู้ธรรมกับท่านผู้ปฏิบัติธรรมท่านผู้รู้ธรรมเห็นธรรมท่านผู้มีธรรมเป็นสมบัติท่านผู้มีความสุขในธรรมเพราะท่านเหล่านี้ท่านเป็นผู้ที่เคยมีความสุขความทุกข์ในโลกมาพอตัวเช่นเดียวกับเราท่านๆไม่เป็นที่น่าสงสัยเหตุใดเวลาท่านเขาปฏิบัติธรรมแล้วจึง กลายเป็นผู้วิเศษขึ้นมาถ้าความรู้ความเห็นความเป็นความสุขสิ่งที่ท่านเสวยสิ่งที่ท่านรู้ท่านเห็นนั้นไม่เป็นของวิเศษเลยโลกเลยสงสารแล้วท่านจะเป็นผู้เลยโลกเลยสงสารเหนือโลกเหนือสงสารได้อย่างไรนี่เป็นหลักสาคัญที่เราจะนเข้ามาเทียบเคียงตัวของเราแล้วจะลบล้างความขี้เกียจขี้ข้านอ่อนแอความฟุ้งเฟอ้อเหืม่มความตื่นเต้นไปตามโลกตางสารโดยลําดับๆจนกระทั่งหมอบรากไม่มีสิ่งใดที่จะเข้ามา ยุ่แย่ก่อความจิตใจได้เลยเนื่องจากอํานาจแห่งความเชื่อความน้อมใสความเอากินเอาจางมันถึงใจทุกอย่างทุกอย่างการปฏิบัติธรรมก็มีกํำลังความเพียรก็เป็นความเพียรจริจริงเพราะความมุ่งมั่นเป็นแม่เหล็กเครื่องดึงดูดอันสาคัญมุ่งมั่นต่อความถูกมุ่งมั่นต่อรถต่อชาติต่อมรรคนิพพานที่ท่านผู้วิเศษทั้งหลายได้พบได้เห็นแล้วเป็นผู้วิเศษขึ้นมาเราอยากเป็นเช่นนั้น เราอยากพ้นทุกข์เช่นนั้นเราอยากเห็นสุขประเภทนั้นเอาที่นี้โยนเข้ามาย่อเข้ามาถึงทางเดินเพื่อความพ้นทุกข์นั้นไม่นอกเหนือไปจากอางานที่กลับามาเบื้องต้นนั้นเลยนี่แหละเป็นงานบุกเบิกเบื้องต้นอาทุกก็ยอมรับว่าทุกเราเป็นผู้เป็นผู้เริ่มต้นแต่ดีเรายังมีครูมีอาจารย์คอยแนะนำครั้นสอนข้ออดข้อธรรมแล้วผู้สอน ก็ขอเรียนท่านทั้งหลายโดยตรงว่าไม่ได้มีความสงสัยใดๆในข้ออัดข้อธรรมที่นํามาสอนหมู่เพื่อนสอนด้วยความถึงใจของตัวเองทุกอย่างออกจากความถึงใจของตนทั้งสุขทั้งทุกข์ทั้งความรู้เห็นมากน้อยที่เป็นมาจากการปฏิบัติได้ทอออกมาจากหัวใจจริงๆไม่ได้เที่ยวตะคุบนั่นอืรูปคาอันนี้เอามาสอนแบบเปล่าๆแบบด้นด้นเดาๆเราไม่ด้น เาพูดตามความจริงสอนตามหลักความจริงแล้วสอนด้วยความเป็นที่แน่ใจเจ้าของอคือไม่เป็นที่สงสัยในการสอนทุกแง่ทุกมุม่างทําทุกขั้นทุกภูมิ่างธรรมมีผู้ปฏิบัติเท่านั้นจะยึดไปได้มากน้อยเพียงใดแล้ววิธีสอนก็แน่ใจว่าไม่ผิดนี่แหละเป็นเบื้องต้นแห่งการบุกเบิก ด, ดังที่กล่าวมาแล้วนี้ท่านผู้ใดมีจระดิตณ์นิสัยชอบ พิจารณาในแง่ใดอาการใดของอาการทางสองแห่งร่างกายนี้เอาไปพิจารณาเถอเหมือนกันหมดสําคัญที่จะดีนิสัยที่ชอบจับแขนซ้ายก็กระเทือนถึงแขนข้างขวาจับเท้าซ้ายก็กระแคนกระเทือนถึงเท้าข้างขวาจับอวัยวะส่วนใดส่วนหกระเทือนถึงการหมดอืเพราะเป็นอวัยวะเดียวกัน มีอาการใดก็ตามจะวิ่งถึงกันหมดเพราะเป็นกองให้จังทุกขังอนุตตาอนัตต า, าเป็นกองอสุภาพทุกขังซึ่งจะเป็นเหตุให้รู้แจ้งแทงทะลุไปตามๆกันหมดสําคัญที่จะดิดนิสัยพิจารณาให้ยิงให้จังยาเสียดายกระแสของกิจที่อํานาจของกิเลสมันผลักดันออกมาวาดภาพหลอกเราอยู่ตลอดเวลาไม่ให้ทํางานอันแท้จริงที่จะรื้อถอนมันได้เลยเพราะอํานาจของมันมาก พอทำมันนี่สักครู่เดียวเท่านั้นมันจะฉุดลากไปหาเรื่องนั้นเรื่องนี้อันเป็นเรื่องของมันทั้งนั้นนั่นแหะมันสแสวงหาอะไรได้แล้วเหยียบหัวใจเราตลอดเวลาไม่เข็ดหลาบ ก, กันเหรออความทุกข์ไปยังไงเพียงน้ำย่อเข้าฝ่าเท้ามันก็เจ็บจะตายอยู่แล้วให้พบชาติมันย่อลงไปทุกพบทุกชาติทุ ก, ท ก, ท ก, ทกตั้งกับตั้งกันไม่เข็ดตรงนี้จะเข็ดตรงไหนนักธรรมะนะ่ะเนี่ย ไม่พิจารณาสิ่งนี้จะพิจารณาอะไรมันเห็นแจ้งเห็นจริงด้วยการปฏิบัติพิจารณาอะไรเอาให้จริงให้จริงยาเสียดายความคิดความปรุงเรื่องอดีตอนาคตมันเป็นไปจากิจดวงนี้เป็นผู้หลอกอย่างเดียวเท่านั้นเมื่อดกับแจ้งมือดกับแจ้งเขาเป็นปัจจุบันของเขาตลอดมาเมื่อดกับแจ้งมือดกับแจ้งเป็นอยู่อย่างนี้เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอ ย, อย่างนี้แหละไม่มีอะไรที่น่าสงสัยต้นไม้ภูเขา ดินฟ้าอากาศเป็นเรื่องของเขาเป็นเรื่องต้นไม้ภูเขาดินฟ้าอากาศหรือฟ้าแดดดินลมมันเป็นสภาพอันหนึ่งความจรงิงอันหนึ่งแต่ละอย่างละอย่างมันไม่ให้ความสุขความทุกข์เราได้อย่างไรเราเองเป็นผู้ไปหลงเป็นผู้ไปเพลิดเพลินเป็นผู้ไปโศกเศร้าเป็นผู้ไปสําคัญมั่นหมายกับสิ่งเหล่านี้แล้วก็ทุกข์ขึ้นมาภายในหัวใจตนเองต่างหาถ้าเราอยู่เป็นสุขเป็นสุขสงบสุขสงบขู่ไม่ไปยุ่งกับสิ่งเหล่านั้นอะไรจะมาทิ้งแทงหัวใจเราได้ ก็ตัววิชชาตัวสังขารตัวทัญยญ่าที่อยู่ภายในเป็นอันเป็นตัวพิษนี่แหละมันเป็นผู้คว้านนควานนี้หลอกนนหลอกนี้หลอกอยู่ไม่หยุดไม่ถอยผู้เชื่อก็เชื่ อ, อไม่หยุดไม่ถอยจมไปกับมันไม่หยุดไม่ถอยไม่มีวันเบื่ออีกพอเลยนี่เฮอันทําเข้ามาะทํางานอะไรเอาให้จริงให้จริงในขณะที่ทํานัน้นเหมือนอย่างโลกใดๆไม่มีพิจารณา ดูมันร่างกายนี่ตั้งแต่ข้างบนลงไปข้างล่างข้างล่างมาข้างบนดูข้างข้างในข้างนอกเท <ST ART> ียบเคียงกันหลายทุกสัตว์ทุกส่วนหลายครั้งหลายหนหลายตลกทบทวนจนเป็นที่เข้าใจด้วยสติปัญญาของเราเรื่องความเบื่อหน่ายอิ่มพอในสิ่งเหล่านี้จะเป็นขึ้นมาเองเมื่อสติปัญญาอย่างลงไปถึงไหนถึงไหนพอตัวที่ตรงไหนแล้วถอดถอดถอนถอนเอง ถ, ถอนเองอุปทานมันเป็น ผลอันหนึ่งที่มาจากความหลงมันจึนเงเยื่ถ้ารู้แล้วมันก็ถอนเข้ามันเองเหมือนกับวันนี้โรดความดับทุกเมื่อกี้เรียยมรัคฆากิเลสตายแล้วแล้วมันจะเอาทุกมาจากไหนมันก็ดับไปเองเพราะกิเลสต่างหาเป็นผู้ก่อทุกข์ขึ้นมาเนี่ยการพิจารณาก็ให้พิจารณาอย่างนั้นความเปลี่ยนนั่นเป็นเรื่องของกิเลส มันเข้าทำลายจิตใจของผู้มีธรรมของผู้มั่นต่อธรรมให้ลดน้อยถอยลงไปแล้วมันจะได้ทำงานทั้งมันเต็มตัวเต็มกำลังสุดท้ายก็เหยียบหัวใจลงไปนั่นแหละให้ทราบเสมอการประกอบความปเปลี่ยนว่ากิเลสมันแทรกอยู่ตลอดเวลาแม้แต่ตั้งใจอยู่ขนาดนั้นมันต้องเป็นความลำบากลําบนความลำบากลําบนนั่นแหละกิเลสมันแทรกอยู่มันจะให้ถอย ดังนั้นเรจึงว่ากิเลสละเอียดมากเวลาพิจารณาเข้าไปรู้เข้าไปทลายจึงทราบเรื่องของกิเลสคนมายาของกิเลสมันมีเป็นขั้นๆตอนๆมีไปโดยลําดับํลำนาเดินยังกรมมนก็ตามอย่านั้นนั่งภาวนามันก็นั่งอยู่ด้วยอย่างนั้นเถอะเมื่อไรต่อยเมื่อนั้น่เอสติปัญญาของเราทรงตัวอยู่ได้มันก็รอดูอยู่เดินกระทั่งสติปัญญาเรามีความแก่กล้าแล้วนอกจากนั้นปราบมันละถึงปราบมันได้โดยลําดับลำนา อ่าเราจะเห็นได้ชัดรู้ได้ชัดก็คือตอนสติปัญญาแตกกระอรืยกิเลสตัวยหยาบถูกประหัตปหาปรหาไปโดยลําดับลงกาจนกระทั่งตัวยำหยาบหายหน้าไปหมดไม่มีเหลือแล้วรู้ชัดด้วยว่าไปฆ่าตายแล้วะภายในปัจจัยของตัวเองอันนี้ได้ค้นหากิเลสแลสติปัญญาก็ไม่มีคําว่าเผลอนั่นตังเลยเมื่อถึงขัน้นมันเกรียงไกรเป็นอย่างนั้น่ะ ขั้นล้มลุกคุกครานก็รู้กันเวลานี้กำลังล้มลุกคุกคานเอาตั้งเข้าสติทนความการบำาลุงรักษาอยู่เสมอไปไม่ได้นี่คือทางเดินนี่คือทางเจริญของจิตทางเจริญของธรรมอยู่ที่ตรงนี้อยู่ที่ความอุตสาหพยายามความบึกบืนความทนความต่อสู้อยู่ไม่ถอยนี่แหละนี่คือทางเดินเพื่ออาจเพื่อธรรมทางเดินเพื่อการปราบยิ่เดชให้ล้าประเดิม ด, ดับจเจริญกระทั่งถึง สติปัญญาเพี่ยนกาแล้วเป็นอันเดียวกันชาติอันใดปัญญาอันนั้นอพอมีมีอะไรมาสัมผัสก็กระเทือนถึงกันทันทีเพราะมาัามาันนำมาพิจารณาออยู่ปกติก็รู้ตัวอยู่เช่นนั้นนั่นแหะท่านบอกสติปัญญาอัตโนมัติหรือมหาสติมหาปัญญานี่แล้วได้ยินแต่ชื่ออืคาดกะเนิดเดาไปอย่างนั้นแหละว่ามหาสติมหาปัญญา เป็นยังไงพอเข้าถึงใจแล้วรู้เองอ๋อเป็นอย่างนี้นี่ถ้าจะสงสัยที่ไหนที่ไหนสงสัยมหาสติมหาปัญญาในขัง้งพุตรการกับขั้งนี้สงสัยไปที่ไหนมันเป็นอย่างเดียวกันนี่ยนั่นแหละที่นี่ตอนนั้ น, นะกิเลสหมอบละเอียดกิเลสมันละเอียดเพราะมันแล้มคมนี่มันไม่หมอบไม่ได้เนต้องหาที่หลุซ่อนด้วยอุบายของมันปัญญาของมันปัญญาของเราก็เอาอีกตามกันอีกค้นอีก พอเจอภาพก็แสดงว่าได้งานหรือว่าเจอค่าสุดแล้วฟาดตนันลงไปแรกแตกกระจายสุดท้ายก็ไม่มีเหลือจนกระทั่งถึงจอมกษระสับน้ำมันได้แต่อวิชาปัญญาสร้างขาลาที่มันคราบหัวใจแล้วพรางตาเราไว้กลายเป็นความอัศ จ, จรรย์กลายเป็นความแปลกประหลาดติดให้พันมันให้ต้อยอิ่มกับมันจนได้ แต่ยังไงก็ตามคำมั่นหมาให้ปีมหาปัญญาแม้จะติดก็ไม่ได้นอนใจเอาจนกระทั่งถึงแตกกระจายไปได้ไม่มีเหลือนี่นีน่ได้ทั้งชื่อได้ทั้งการปฏิบัติได้ทั้งผลเป็นที่พอใจนี่แหละผลของการปฏิบัติตัวเองไม่มีอะไรที่จะยากยิ่งกว่าสอนตัวเอง ปฏิบัติตัวเองปราบปรามกิเลสซึ่งเป็นตัวดื้อด้านที่สุดภายในหัวใจของเราเองเมื่อปราบปรามได้แล้วไม่มีอะไรยิ่ษยิ่งกว่าจิจดวงที่หลุดพ้นแล้วจากสิ่งกดขี่บังคับทั้งหลายเป็นอากาลิกกิจอาการิกธรรมคือไม่มีการไม่มีสถานที่เว ล, เวลา เป็นธรรมชาตินั้นอยู่เช่นนั้นการไม่เข้าไปเกี่ยวข้องได้สถานที่ไม่มีไม่เข้าไปเกี่ยวข้องได้ท่านอาจาชีวิพพาณเที่ยงจะหมายถึงอะไรทาหมายถึงใจดวงคงเส้นคงวาตายตัวแล้วนั้นไม่มีสิ่งที่จะไปหมายหมายไม่ถูกไม่ใช่สิงเพราะมันไม่ใช่ไปหมายอะไรก็ไม่ถูกธรรมชาตินั้นไม่หมายก็ถูก รู้อยู่กับใจของตัวเองอยู่ที่ไหนก็าตามพามิจติให้ระมัดระวังเสมอให้มีเสมอนี่แหละวิธีการปฏิบัติอย่าเอาเรื่องความทุกข์ความยากความลำบากซึ่งเป็นสื่อสารของกิเลสเข้ามายุ่งกวนมันจะมาทำลายวงงานของเราจนได้ ละมั่นหรืหวังเสมอทุกก็ยอมรับว่าทุกแต่ไม่ถอยเอาเหนื่อยมากพักก่อนอโลกลท้องสารเขาก็พักเหมือนกันเขาก็เหนื่อยเหมือนกันเขาทุกเหมือนกันกับงานของเรา น, นี้งานใดไม่มีทุกไม่มีในโลกนี้เป็นทุกทั้งนั้นแหละหแต่ก็จําต้องทํากันเพราะความจําเป็นอันนี้ก็มีเป็นความจําเป็นของเราอยีากพ้นจากทุกยอมรับกันทําการไปไม่ถอยเวลาพักก็พัก เวลาสู้ก็สู้ไม่ต่อจุดท้ายก็ไ ป, ปได้ไม่ต่อถึงไปให้ท่านปัญญาอธิบายเหมือนกันเต่า